เดินทางมาประเทศไทยเมื่ออายุ18ปีในระยะแรกทำงานกับญาติต่อมาได้ทำงานกับบริษัทเตชะไพบูร์โดยทำงานทั่วไปต่อมาได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานสุรา<อ>และก็ได้ย้ายไปทำงานในหลายจังหวัดเป็นผู้จัดการนี่ก็จะต้องเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆแหละ ย้ายไปหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีลบบุรีกำแพงเพชรนนทบุรีพ่อลาออกจากงานเมื่ออายุหกสิบปีแต่ก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมาโดยตลอดอพ่อเป็นคนดีสื่อสัตว์ขยันเ่ยเหลือญาติมิตรเป็นจำนวนมากการปกครองในครอบครัวพ่อจะเป็นหลักอย่างสำคัญพ่อมีลูกเจ็ดคนชายสี่หญิงสาม ลูกชายคนโตคือนายสว่างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยน้องชายของลูกคือคนครเนียนนะเรียนจบปวสสาขาไฟฟ้าได้ไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภิภาพตีจังหวัดเชียงใหม่ไปทำงานได้เพียงยี่สบอวันก็ตกสาย ฟ, ฟ้า เลือดข้างในสมองเสียชีวิตเดายุเพียงยี่สิบหปีเมื่อปีพศสองพห้าอสี่ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเรื่องการทำบุญจึงเมื่อเด้ทำบุญุดารายอุทิศให้พิพียงการไปไหว้ตามเทศกาลเท่านั้นพ่อเป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมองดเว้นอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย เช่นของปิ้งของย่างเครื่องในสัตว์ปีกพ่อมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการปวดเมื่อยเลยแม้จะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้โดยระมัดระวังเรื่องการทานอาหารพ่อบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์<อ>แต่จะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดว่าช่วยเหลือคนก็ได้บุญแล้ว เมื่อลูกชวนทำบุญพ่ออ็จะเยยๆแต่ก็ไม่ขัดขวับเมื่อลูกกับแม่และหลานจะไปวัดทำบุญบระยะเาสามสี่ปีที่ผ่านมานี้พ่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์คุยกันบ้างเล่นไพ่้วก็จอกบ้างเ<อ>งินที่ไดจากการเล่นไพ่จะเอาไปซื้ออาหารทานด้วยกันพ่อบอกว่าอยู่ที่บ้านทุกวันเนะบือ่อเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยทางใจ ที่ยึดที่เกาะไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเล่นภพยนกกระจอกฆ่าเวลากันไปเนี่ยเพื่อคอยวันสุดท้ายเมื่อ พ, พ่อยังแข็งแรงดีก่อนทานอาหารเย็นจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยสนับสนุนเพิ่มยอดขายเหล้าแล้วก็ตัวเองจะดื่มเหล้าแกว้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วก็ไม่ทราบว่าเล็กขนาดไหนนะเมื่อเดือนกันยายนสองห้าสี่ห้าหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด แต่การยังคงปกติดีจนกระทั่งเดือนทฤศจิกายน2545ก็เริ่มมีอาการไอเมื่อกินยาแล้วอาการก็ดีขึ้นต่อมาวันที่5มกราคม2546ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนพ่อมีอาการปรสัสสาวะไม่ออกปสัสสาวะข้างในกระเพาะปัสสาวะไม่มีแรงแล้วลูกลก็รีบพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเข้าห้องฉุกเฉิน พอ่อจัดการให้หมอประจำที่เคยรักษามาทําการรักษาให้จึงให้นอนคอยหมอในห้องฉุกเฉินโดยมีพี่สาวของลูกก็อยู่กับพ่อส่วนลูกออกมาคอยหมอด้านนอกพ่อพูดกับพี่สาวว่ารโรคมะเร็งนะ่ะรักษาไม่หายหรอกบอกให้หมอฉีดยาให้ไปเลยอย่ายให้ทรมานออ๋นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดออ่ะสมัครใจตายนะ่ะโดยไม่รู้เรื่องปรอโลกเลยเพราะไม่เชื่อครับ ต่อมาพ่อมีเหงื่อออกมากจนผิดปกติทั้งๆที่พ่อเป็นคนขี้หนาวแต่ไม่มีใครเหลียวใจลูกก็บอกกับพ่อว่าจะกลับบ้านไปเอาของใช้เพื่อมาเฝ้าใครพ่อพยักหน้าแล้วก็โบกมือให้ไปก็มีแต่เพียงแม่และพี่สาวอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงบ้านพี่สาวก็โทรมาแจ้งว่าพ่ออาการแย่แล้ว ให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ลูกไปไม่ทันพ่อ เ, เสียชีวิตลงอายุได้82ปี13วันแม่เล่าว่าพ่อบอกว่าง่วงมากแล้วก็หลับไปตั้งแต่ทราบว่าพ่อปว่วยลูกพยายามพูดถึงเรื่องบุญแต่ไม่บ่อยนะักเพราะพ่อยังไม่รับแลวการรู้สึกลำคาญเกรงว่าพ่อจะใจคุณโมโหตั้งใจอีกระยะหนึ่งค่อยพูดใหม่ ก็ น, กนั่นก็เป็นเรื่องบุญยาวเยียดเลย่าทำบุญอะไรบ้างก็มีคำถามว่าพ่อตายแล้วไปไหนมีกตินิมิตเป็นอย่างไรได้รับบุญไหมระหว่างที่บำเพ็ญกุศลน่ะคิดว่าพ่อมาอยู่แถวๆนั้นก็ได้บอกพ่อลูกก็เลยบอกพ่อให้นึกถึงบุญที่ทำไว้แล้วให้ไปวัดกรทำบุกาย พอได้ฝากปัจจัยทำบุญพัฒหาและบูชาใจดีแนะนำให้พ่อไปอนุโมทนาบุญพ่อปัจจัยหมคะตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตายแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าน้าเนี่ยรพราอได้บุญจากการทำบุญตามประเพณี จ, จีนทำกองแตก ซ, ซึ่งทำโดยพระจีนหรือเปล่าคะที่บ้านยังมีถือเรื่องไหว้ในเทศกาลต่างๆเป็นสำคัญพ่อได้รับหรือไม่น้องชายตายแล้วไปอยู่ไหนก็ทำกรรมอะไรไหวจึงมีจึงเสียชีวิตในลักษณะนี้ ประมาณเลยพ่อตายแล้วด้วยอาการเหมือนง่วงมากๆแล้วก็หลับไปบจากมะเร็งโลกปอดง่วงแลวหลับไปพอหลับไปก็ถอดกายเลยเ<อ>พราะว่าหมดอายุไขแล้วเนี่ยแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวัน เจ้าหน้าที่ก็พาพยมมาโลก พ, ค ร, พครบเจ็ดวันแล้วเพราะว่ามีทั้งบุญและบาปอีตรงนี้นี่มันเป็นเรื่องฝันในฝันนะรเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะไปถึงตรงนั้นน่ะกลัวมาก<อ>กลัวจริงๆเลย บ, บาป ท, ที่หนักก็คือเป็นผู้จัดการสุราและดื่มสุราเป็นอาจินน ก, กรรม บุญก็ททำแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนรกและสวรรค์เมื่ออยู่ต่อหน้าพญายมราชกลัวมากอกสั่นขวัญแขวนตัวสัน่นเพราะเห็นภาพติดตัวกระทำอจินกรรมในมนุษย์ใจเลยเศร้าหมองมากเห็นภาพตันเป็นมนุษย์ว่าตัวน้นไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องนรกสวรรค์แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่มันก็สายเกินไปนใจเลยเศร้าหมองมากเลยแวบจากตรงนั้นไปสู่มหานรกขุมา้าแบมีร่างกายใหม่ที่ขนาดใหญ่เป็นภูเขาย่อมย่อมตัวดำอยู่ในหลุมเหล็กดำลอ น, ลอน ที่มีน้ำกรดร้อนแรงไหลออกมาจากปากที่อาจจีนออกมาท่วมตัวแล้วก็สำลักอยู่ในนั้นมีความทุกข์ทรมานมากอาเจียนนั้นก็ไหลเป็นทานน้ำกรดเหมือนลาว่าที่ออกมาจากภูเขาไฟแต่ทานน้ำกรดนี้ไหลออกมาจากหลุมเหล็กดำแล้วนายในรยบาลก็ตักน้ำนั้นใส่ปาก กรอกสัตว์นรกตัวอื่นต่อไปอที่มีกรรมเกี่ยวกับดื่มสุรารบแบ่งปันการทรมานไปยังสัตว์นรกอื่นจะต้องถูกทรมานอย่างนี้อีกยาวนานเป็นกับเห็นไหมไอความไม่รู้เนี่ยรวยก็รวยชาติเดียวยิ่งใครรวยด้วยอย่างนี้ด้วยเนี่นะ น, น้ําเมานี่ยนะ ร, รวยชาติเดียวแหละ จะไปทำบุญยังไงก็ทำไปเถอะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่ถ้าผู้จัดการก็จะอยู่ในหลุมเหล็กดำถ้าเจ้าของนีอ่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ค่อยวาดมาให้ดูก็แล้วกันเมื่อมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ก็จะเชื่ อ, อเรื่องบุญบาปตายไปแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสอนุโมทนาเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวลงไปยมโลก แล้วเนี่ยอยู่ตอนหน้าพญายมราชเห็นภาพที่ปรากฏบนจอนใจเศร้าหมองมากหมดโอกาสรับบุญเพราะแวบไปในมหานรกซะก่อน<า>นี่ไม่รู้จะว่ายังไงพ่อยังรับบุญไม่ได้นะลูกนะไม่ว่าจากใครไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะทำกงเท็กเดพระจีนหรือลูกๆผมมีชีวิตอุทิศไปให้เพราะไปอยู่ในมหานรกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนน้องชายที่ตายแล้วบนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังจากตกจากเสาไฟฟ้าลกลับไปบ้านแล้วก็กลับพะครบเจ็ดวันก็กลับไปที่เดิมตรงที่ประสบอุบัติเหตุ แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกเห็นภาพของตัวตอนเป็นหนุ่มในชาตินี้เนี่ยกินเหล้าเที่ยวพูหยิงเลยถูกเจ้าหน้าที่พาไปลงทัน<อ>แต่นี่โดยอยู่ในย ม, ยมโลกเนี่ยคราบโคตรแห่งโดยถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนแต่เนื่องจากเป็นบาปไม่มากเหมือนพ่อก็เลยรับบุญได้อ๋อรับอีกวินายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็จะตกจากที่สูงตายอีกหลายร้อยชาติายกเว้นว่าชาติใดชาติหนึ่งเจอกระยนานมิตรได้สร้างบุญใหญ่ปฏิบัติธรรมก็ถึงธรรมกายก็จะพ้นกรรมนี้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ไปยิงกว่าจะหมดกรรมแต่จะหากจะตัดวิบากกรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถ ด, ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ถ้าใครพลาด ออตรออันตรายเสียเดียวแหละ ว, วิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยผลักตกลงไปในเหวก็เรื่องก็มีว่าตัวมีแฟนสาวซึ่งรักกันมากแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยแฟนสาวไปปันใจให้ชายอื่นตัวก็เลยแค้นหลอกล่อให้แฟนสาวขึ้นภูเขาไปเด็กกัน แล้วพลักเธอตกลงไปจากหน้าผาตายละจากชาตินั้นไปก็ไปตกนกรกแล้วก็คืนมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์โดยตกจากที่สูงตายแล้วก็จะต้องใช้กรรมกันไปอย่างนี้ไปอีกหลายร้อยชาติทีเดียวเล ย, ยลูกหลานต้องทําบุญให้มากๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยและปฏิบัติทําให้เข้าถึงนิมมกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละ จึงจะไปช่วยโดยวิธีพิเศษได้วิธีอื่นไม่มีทางจะเพียมพยายามต่อไปนะลุงนะจะเพิ่งไปท้อใจจะเพิ่งไปหมองใจรักพ่อรักน้องก็ต้องรักให้มันถูกวิธีทําใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสนึกถึงบุญปฏิบัติทาไป โดยเฉพาะคืนนี้นะ่ะวิสาขาบูช า, านั่งมันทั้งคืนไปเลยให้เขาถึงธรรมกายให้ได้ก็จะได้ไปช่วยได้